สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากคิตเชพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิฟรเยซูตอนที่สามร้อยสิบแปดเรื่องคอําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เก้าสิบสามขอให้พ้นจากซึ่งชั่วรา้ายพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้หลักการสองหลักการนะครับวันนี้เราจะมาต่ออีกสองหลักการรวมทั้งเป็นสี่หลักการนะครับหลักการแรกครับขอทบทวนครับ หลักการแรกก็คือว่าเราต้องยอมรับความสามารถศักยภาพนะครับติดเด็ดของมาตรฐานว่ามันร้ายกาจไวแรงขนาดไหนประการที่สองครับก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องแยกตัวออกห่างนะครับจากความชั่วร้ายนะครับและในวันนี้เราจะเรียนรู้ การของการต่อต้านครับซึ่งเป็นประการที่สามถ้าคริสเตียนต้อนรับซาตานหรืออิทธิพลของมันเขาคือคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังพูดง่ายๆก็คือว่าเรานั้นจะต้องมีหลักการของการต่อต้านนะครับหลักการของการตระหนักถึงความร้ายกาลของศัตรูและ มีจิตใจที่จะต่อต้านมันตลอดเวลานะครับแล้วต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาครับว่าหรือเตือนตัวเองตลอดตลอดตลอดเวลาครับว่ามารซาตานั้นมันไม่เคยหยุดนิ่งมันไม่เคยพักที่มันจะทําร้ายเรามันไม่เคยยอมอ่อนข้อกับเราแน่นอนครับพี่น้องด้วยหลักการที่จะหนัก หรือรู้ตลอดเวลานะครับรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเป็นการต่อต้านนะครับเราก็จะ alert ครับเราก็จะตื่นตัวนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในพระวจนะของพระเจ้านั้นในพระธรรมยากอบบทที่สี่ข้อที่เจ็ด น, น, นะครับยากอบนั้นได้แนะนำพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนในการที่เราจะผลักมารตากานั้นออกไป หรือเราจะทําให้มันหนีไปนะครับหนีไปในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่มันใช้โจมตีเราครับนะครับเรามาดูครับว่ายากรบบทที่สี่ข้อที่เจ็ดแนะนำมาว่าอย่างไรครับยากรบบทที่สี่ข้อที่เจ็ดกล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงก่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปกดไฟอีั้งครับ เพีฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมฟังพระเจ้าน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมานและมันจะหนีท่านไปพี่น้องครับคําว่าน้อมใจยอมฟังพระเจ้านั้นภาษาอังกฤษใช้คําว่าซับมิดตัวเดียวครับซับมิดแปลว่าอะไรครับซับมิดแปลว่ายอมจำนนยอมรับในสิทธิอํานาจของพระเจ้าซึ่งภาษาไทยแปลดีมากครับ เรีว่าน้อมใจยอมฟังยอมฟังนี้หมายถึงว่ามีความเชื่อฟังครับน้อมใจแปลว่ายอมรับนะครับยอมรับยอมรับยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระองค์ในการมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายเหนือความบาปเหนือมารซาสานเหนือการล่อลวงทั้งหลายพี่น้องครับ อันนี้เป็นประการแรกในพังภีตอนนี้นะครับประการที่สองที่อยู่ในพังพียากรบที่สี่ข้อที่เจ็ดนี้ก็บอกว่าต้องต่อสู้กับมานครับหมายความว่ามีจิตใจนะครับที่จะต่อสู้ไอ้คำว่าต่อสู้นี่ครับนะครับไม่ใช่เกิดจากความกลัวครับนะครับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวมานนะครับหรือเราต้องไม่กลัวมาน ในวิดีโกันครับเราต้องยำเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้าต่างหากครับในขณะที่มารซาตานั้นเขาประกาศสงครามกับเราแน่นอนแต่เรานั้นต้องมีท่าทีที่ต่อต้านมันครับท่าทีที่ต่อต้านท่าทีที่กาดจะต้องไม่ตกนะครับถ้าเป็นนักมวยกาดจะต้องไม่ตกท่าทีที่จะต้องมีบางสีบางอย่างเตือนสติตัวเองตลอดเวลาเตือนตัวเองตลอดเวลาตัณหา และรู้สึกตัวตลอดเวลานะครับมีสติตลอดเวลาว่าเราอยู่ในภาวะสงครามครับเราอยู่ในภาวะที่จะต้องต่อต้านมันในทุกๆรูปแบบเพราะมันต่อต้านเราในทุกๆรูปแบบนี่คือความ alert นะครับการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณนั่นเองมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ลูกของพระเจ้านั้นจะปกป้องตัวเองจากมารโดยการทําบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงนอกจากการน้อมใจยอมฟังพระเจ้าพี่น้องครับ แล้วแทงอื่นไม่ได้เลยครับยากกรเพื่บอกเคล็ดลับในการที่เราจะต่อสู้กับมันก็คือเราต้อง submit to God นะครับเราจะต้องยอมเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องยอมรับในสิทธิอำนาจของพระเจ้าน้อมใจนะครับด้วยความทอมใจด้วยการยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าและด้วยการยอมรับว่าเราเองนั้นไม่มีปัญญาไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกําลังเพียงพอครับเพียงคับขั้งผิดตอนหนึ่งที่อากาทูดไปโต ครับอาโชตเปโตแนะนําผู้เชื่อว่าเราไม่ควรยอมต่อซาตานครับนะครับหนึ่งเปโตบทที่ห้าข้อที่เก้าหนึ่งเปโตบทที่ห้าข้อที่เก้าจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเห็นไหงครับจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อตรงนี้บอกว่าใจมั่นคงนะครับหมายความว่ า, าครับหมายความว่า ย, history, ย, well, ยึดหลักการนะครับยึดว <ata> <ers> right? <sub> ิธีการนะครับยึดพระวจนะของพระเจ้าใจมั่นคงนะครับในความเชื่อพี่น้องครับคําว่าใจมั่นคงนั้นก็คือว่าไม่เคลื่อนย้ายครับนะครับมีเรียกว่ามีหลักการที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้านะครับด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อหมายความว่ามีความเชื่อในพระวจนะนั้นนอกจากมีหลักการปักแน่น นะครับไม่ใช่หลักลอยในขณรเดิมกันครับมีความเชื่อในพระชนะเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นกําลังของเราเชื่อว่าสิงต่างที่กล่าวในพระชนะของพระเจ้า น, นั้นที่บอกว่าเราจะมีชัยชนะนะครับเราจะไม่เข้าสู่การทดลองขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้ครับเป็นจริงได้และมีความศรัทธาว่า ในพระเจ้าพระองค์มีกําลังเพียงพอที่จะช่วยเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องครับเราจะไม่แพ้ถ้าเราอ้างพระนามของพระเยซูคริสต์และไม่ยอมให้มาราตาดตานะครับมาทดลองเราไม่เปิดโอกาสการไม่ตกนะครับเมื่อพระเยซูถูกทดลองพี่น้องครับพระองค์ใช้อะไรต่อต้านมารครับพระองค์ใช้พระคัมภีร์ต่อต้านมารครับและในที่สุดพระองค์งได้ชัยชนะ พี่น้องครับนี่คือหลักของการต่อต้านนะครับหลักประการที่สี่ซึ่งเป็นหลักสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือต้องพร้อมครับต้องพร้อมนะครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในมาระโกบทที่สิบสี่ข้อสามสิบแปดครับมาระโกบทที่สิบสี่ข้อสามสิบแปดพระเยซูตรัสสอนสาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอาถรราน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองโปรดฟังอีกครั้งครับท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองใช่ไหมครับเราต้องเตรียมพร้อมนะครับหลักการนี้ควรจะเป็นคําขวัญของพะเตียนที่ถูกทดลองเลยครับนะครับเตรียมพร้อมครับการเฝ้าระวังนั้นหมายความว่าการตื่นตัวนะครับการต่อต้านนะครับ ตื่นตัวที่จะต่อต้านมันเฝ้าระวังหมายความคือการอยู่เวน้นอยู่ยามครับการอยู่เวนอยู่ยามก็คือว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับหรือเวนยามในชีวิตฝ่ายจิติญญาณของเรานะครับในครั้งทีเดียวชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีเว้นยามเฝ้าระวังครับในพระวจนะพระเจ้าหรือในธรรมอภิษฐานของบรรดาทรรมิกชนทั้งหลายนะครับ ก็บอกว่าขอให้ทูตสวรรค์นะครับเฝ้าระวังชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราเป็นทิสเตรียนะครับเรามีผู้ที่เฝ้าระวังชีวิตของเรานะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนอกจากทูตสวรรค์แล้วเลยมีผู้ที่อยู่เหนือน ก, กว่าทูตสวรรค์อีกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับในสรุปดีบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านนะครับคนสร้างก็เหนื่อยถ้าคน ถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนนครคนยามก็เหนื่อยพี่น้องครับพระเจ้าเฝ้าระวังชีวิตของเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เฝ้าระวังชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราเองนั้นจะต้องเฝ้าระวังตัวของเราด้วยและสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับและต้องพร้อมก็คืออธิษฐานการอาธิษฐานนั้นเป็นเค็ดลับสำคัญในการชนะการทดลองและค้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับ ท่านอัครทูตเปาโลแนะนําชาวเอกราชว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของมารได้เอเฟซัสบทที่หกข้อสิบเอ็ดครับจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้นะครับที่นี่ได้บอกว่าคริสเตียนนะครับที่พร้อมจะยอมรับด้านที่อ่อนแอและเสริมด้านนั้นให้เข้มแข็งต่อไป ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพัฒนานะครับลดจุดอ่อนของเราพัฒนาจุดแข็งของเราเพื่อที่เราจะมีชัยชนะเหนือการทดสอบทดลองล่อลวงและค้นจากซึ่งชั่วร้ายค้นจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วศัตรูของเรามารตะตานที่คอยโจมตีเราตลอดเวลา ข, เาขอพระเจ้าอวยพอนะครับก่อนที่จะจากกาันวันนี้ยุทธศาสตร์4ี่ประการนะครับก็คือหนึ่ง เราต้องยอมรับศัตรูของเราว่ามันมีจริงและมันมีฤทธิ์เดช 2. เราจะต้องเอาตัวออกห่างเรื่นี้จากความชั่วร้าย 3. เราจะต้องยึดหลักของการต่อต้านนะครับรัห น, นักว่าเราต้องต่อต้านมันนะครับต่อสู้กับมันและหลักประการสุดท้ายก็คือเราจะต้องพร้อมเสมอพร้อมเสม อ, อมเฝ้าระวังอคติฐาน อามน